กราบนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงคุณแม่ชีแล้วก็อนุโมทนาบุญกับผู้ที่ร่วมจัดงานในวันนี้นะรวมทั้งผู้ที่เข้ามาร่วมฟังธรรมณนะที่วัดในโรงก็รู้สึกยินดีนะครับที่ได้มีโอกาส เข้ามาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมก็จะมาพูดคุยให้แง่คิดให้กำลังใจเกี่ยวกับเรื่องการรู้เท่าทันจิตเท่าทันชีวิตแล้วก็เท่าทันสังคมก็ตามสมควรเกี่ยวเวลานะจะ น, นั่งตามสบาย ไม่ต้องเกรงวันนี้มีหลากหลายนะมีธั้มพระคุณเจ้าไปทั้งคุณเมธธ่ชีแล้วก็แฟนรายการวัดในโรงสุนัขก็มีนะโอ้ไม่เคยไปพูดที่ไหนมีสุนัขฟังวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษจริงๆ โดยธรรมดาแล้วเนี่ยเรื่องอยู่ในวัดเนี่ยผมคุ้นเคยจะรู้ว่าผมโตมากับวัดก็ได้อดีตสมัยเด็กๆ เ, เคยเป็นอารามบอยอ่ะรู้จักอารามบอยไหม <c oughs> เราผมเป็นอารามบอยมาก่อนนะอารามแปลว่าวัดบอยแปลว่าเด็กเคยเป็นมาก่อนสมัยที่เรียนหนังสือชั้นประถม เคยชื่อบินโตตามหลังพระบินทบาทแล้วก็บางครั้งก็พายเรือพายเรือบินทบาทอันนี้เป็นประจําที่วัดเนี่ยดีทุกอย่างเลยยุกเว้นอยู่อย่างเดียวจะว่าวัดไม่ดีก็ไม่ได้เรามไม่ดีเองคือกลัวผีสมัยก่อนนี่กลัวผีมาก โดยเพาะเวลาหลังจากพระธรรมวัดเย็นสวดมนต์เย็นในช่วงหกโมงพอสวดมนต์เสร็จแล้วนี่ก็จะต้องมีการย่ำค่ำเป็นย่ำข่ำไหมพระคุณเจ้าจะตีคลองตรีะระฆังตีกลองโอ้ดังสนันไว้ในวัดเลยพอเสียง กรองเสียงะระฆังดังเนี่ยมันมีเสียงอะไรตามมาหรือไม่โอสุนัขเห่าหอน <Yeah. S 1> อารามด็อกอารามด็อกพูดง่ายๆคือหมาวัดกับเด็กวัดเนี่ยอยู่คู่กันเลยว่ากันมันเหา่ามันเห่าหอนเรากลัวว่าสุนัขเห่าปับ๊บมันหมายถึงผีจะหลอก กลัวผีถ้าจริงนี่เราเรากลัวผีหรือกลัวเสียงทุนักขอนก็นไปเนาะแล้วเราต้องหนีหนีไปท่าน้ําหนีไปนั่งดูเรือดูทำให้รู้ไม่ชี้นะเนี่ยไม่อยากจะได้ฟังเสียงระฆังเสียงกลองแล้วเสียงทุนักเข่าหอนไปนั่งดูทำให้รู้ไม่ชี้พอ ท่านย่าค่าเสร็จสุนทรก็หายเราจึงเข้ามาอยู่ในวัดได้โอ้กลัวมากเสร็จแล้วก็ลืมไปแล้วไม่ไม่กลัวต่อไปแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ที่วัดเนี่ยมีสาลาการประเปลียนสาลาการประเปลียนเนี่ยเขามีการตั้งศพที่จริงก็ไม่ได้กลัวนะตรงนั้นอ่ะก็เข้าไปช่วยพระคุณเจ้า จัดแจงเรียบร้อยอมอยีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่เขาจะเก็บนหมายถึงว่าเสร็จจากงานแล้วเนี่ยเสร็จจากส่วน อ, อ, อภิธรรมแล้วเขาก็จะเก็บหมายถึงว่าเก็บข้าวของต่างๆแล้วก็ปิดศาลาหลวงพี่กใกล้ผมไปหยิบเอาเชิงเทียนที่หน้าศพมา แล้วก็ตั้งใจจะไปหยิบไปนะพอเอื้อมือจะหยิบเชิงทีเนี่ยเสียงไอ้ตรงลงศพมันดิ้นคลุกโอ้หวัวใจลงที่ตะตุ่มเลยเห็นแมวแมวนี่ไปไปกินอาหารที่เขาเส้นผีไว้เขาจะเส้นไว้ที่หน้าศพใช่ไหมถึงแมวจะไปกินเราก็ไปหยิบแมวว่เพื่อเราคงจะไปแย่งอ่ะมันก็ตกออใจหัวใจมันอยู่ที่ตะตุ่มเลย กลัวมากกลับมาที่วัดเนี่ยนอนไม่หลับนะอยู่ที่กุฏินอนนอนคิดตั้งคืนกลัวผีจนใกล้รุ่งหลับไปตื่นเช้ามาก็กลัวจะไปบิดาบาศไม่ทันเมว่าคิดได้ว่าเอะเมื่อวานเรากลัวผีนอนไม่หลับเราก็นึกถึงแมวเอ๊ะทำไมแมวไม่กลัวผี ทำไมผีจึงไม่หลอกแมวหลอกแต่เร า, ามันก็ได้คิดโอ้ตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยถ้าเรากลัวผีเราก็อายแมวเลิกกลัวผีเลยกลัวอายแมวเนี่ยชีวิตผมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็ใสสุนัขบ้างแมวบ้างสอนธรรมะอยู่เรื่อยคอยสังเกตดูพวกเหล่านี่ยมันมันเป็นธรรมชาติของมันแท้ นีสุนัข ก, ก็ดีแมวก็ดีเนี่ยมันซอนทำให้กับเราแต่นั้นมานี่ไม่กลัวเลยนะไม่กลัวผีนะนี่เคยนอนเป้าดบอยู่กับคนตายไม่เป็นไรนะไม่กลัวนะมียติธรรมนั่นหนึ่งนั่นไปปฏิบัติธรรมที่วัดไปปฏิบัติธรรมที่วัดตื่นมากลางคืนนี่นอนไม่หลับออกมาหน้ากุฏิเดินจงกรม เดินจงกลมน้ากุติเดินไปสักพักหนึ่งมันก็มีลมพัดผ่านมาทางด้านหลังนะลมพัดผ่านมาทางด้านหลังเยน็นวูบเหมือนคนเดินสะกดลอยตามก็ไม่กล้าหันนะกลัวกรรมฐ า, านแต่กลัวสติหลุดก็รู้อยู่ว่าเหมือนมีคนมาเดินตามหลังแต่ก็รู้สึกกลัวแล้วละ่ะใจยทํไล่ฟังว่าเขารู้สึกกลัวมาก แต่แล้วเขาคิดได้ว่าถ้าเราเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดเสียใหม่คิดว่าใครมาเดินตามหลังเนี่ยเปลี่ยนเป็นมี พ, พระพุทธเจ้าเดินให้กําลังใจยอยู่ข้างหลังเนี่ยมันน่าจะดีนะเขาก็เปลี่ยนวิธีคิดทันทีเนี่ยนะคิดเสียใหม่คิดว่ามีพระพุทธเจ้าเนี่ย เดินมาข้างหลังให้กำลังใจในการทำกรรมฐานช่วยเรามีดวงตาเห็นธรรมเร็วขึ้นเขาคิดเพียงแค่นี้เขามีความกล้าหาญแล้วก็ขยันเดินจงกรมจนยันสว่างเลยเดินแบบปีติด้วยมีความสุขด้วยมันสำคัญที่ใจจริงๆนะ ใจเนี่ยเป็นส่วนที่สาคัญมากถ้าเราใจไม่ดีชีวิตเรามันก็ไม่ดีเพราะใจไม่ดีแล้วความคิดก็จะไม่ดีการกระทำก็ไม่ดีคำพูดก็ไม่ดีหมดกําลังใจถ้าจะเปลี่ยนวิธีคิดเส้นใหม่มองในแง่ดีมองในส่วนที่ดีใจเขาก็จะดีขึ้นพูดก็ดีทำก็ดี แล้วมันทำให้เรามีกำลังใจแล้วมันมีความสุขได้แค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตมันก็เปลี่ยนได้นะเนี่ยมันสำคัญที่ใจก็ตรงกับที่พุทธภาษิทธ์เนี่ยทำมาบทเป็นบทแรกเลยนะพุทธภาสิทธ์บทแรกแรกมันบอกว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธาน สำเร็จแล้วได้ด้วยใจใครเคยได้ยินคํานี้บ้างเคยได้ยินไหมอ๋อเนี่ยแสดงว่าแกวัดพอๆกันอย่างนี้ละ่ะมันมีประโยชน์เวลาเรามีความทุกข์เราสามารถเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีได้ด้วยวิธีคิดเพราะใจนี่เป็นใหญ่จริงๆเพราะนั้นปัญหาทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้เกิดที่ข้างนอกหรอก คนนู้นจะดีหรือไม่ดีสร้างปัญหาให้กับเราเนี่ยมันไม่ใช่มันอยู่ที่การวางใจของเราต่างหากอยู่ที่การวางใจว่าถูกต้องหรือไม่คำพูดบางคำเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจพูดเพื่อจะทำร้ายใจเราแต่เราคิดไปเองคิดให้มันทำร้ายใจเราให้เจ็บปวดไปเองสังเกต ด, ดูนะอย่าเพิ่งไปโทษข้างนอกเสมอไปเรา บางทีข้างในใจเรานั่นแหละใจเราแต่และตัวสำคัญสำคัญที่ใจเพราะนั้นเรื่องทั้งหลายเกิดที่ใจเราไม่ต้องไปมองไกลๆมองดูที่ตัวเราเพราะนั้นเราจะต้องมีสติให้รู้เท่าทันจิตใจเราไว้ใจกับจิตมันเป็นความหมายเดียวกันแต่เขียนต่างกันนะ เป็นความหมายเดียวกันคือธรรมชาติที่รู้ธรรมชาติที่รู้แล้วก็คิดไหนใครไม่มีใจไม่มีจิตบ้างตอนนี้จิตใจอยู่ไหนอยู่กับการฟังธรรมแล้วอยู่กับเสียงข้างนอก <c oughs> ถ้ารู้ว่าอยู่การฟังธรรมโอเนธไอที่รู้ว่าอยู่นั่นแหละนั่นล่ะคือจิตใจของเรา บางคนบอกว่าใจเราอยู่ไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเรามีใจหรือเปล่าเนี่ยนั้นเอาที่รัดรัดยอ่ยอๆเลยว่ากลับมาดูจิตใจเราเอาสติมาดูใจเราให้ได้สติคือความระลึกรู้หรือระลึกได้กลับมาดูจิตใจเราแก้ปัญหาที่ใจเราก่อนแต่เนื่องจากว่าใจเราเนี่ยมันไม่มีตัวไม่มีตน ไหนใครจับใจตัวเองได้บ้างใจเราไม่มีตัวไม่มีตนเป็นนามธรรมาเราเรียกว่าจิตเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนเป็นนามธรรมาเราจะเห็นจิตใจเราได้อย่างไรการที่จะไปเห็นจิตใจโดยตรงนั้นเนี่ยมันยากต้องคนที่เขาเป็นนักเรงกรรมาฐานจริงๆ จ, จะรู้จักจิตใจตัวเรา เห็นมันเห็นจิตใจตัวเองได้แล้วก็เห็นจิตใจคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะเนี่ยมันมีญาณพิเศษเลยนะแต่เราจะรู้ใจเราได้นั้นเราต้องรู้ที่อาการก่อนอาการของจิตใจมันมีอาการเหมือนเราจะเห็นหลอดไฟหลอดไฟเนี่ยบางทีเรามองไม่ได้มันส่องสว่างที่ตาเราเราต้องเห็นแสงมันก่อนใช่ไหม เห็นแสงนี่มันง่ายพอเห็นแสงนานๆเนี่ยเราก็จะไปเห็นหลอดไฟซึ่งเป็นต้นกําเนิดของแสงไฟนั้นจิตใจกันเหมือนกันถ้าเราอยากเห็นจิตเราดูที่อาการของจิตเจอก่อนอาการของจิตใจเนี่ยมันคืออะไรมันคือความคิดใช่ไหม <c ười> ความคิดมาจากไหนอะ มาจากตาจากหูตั้งจมูกเลยความคิดมันก็คิดออกมาจากใจนั่นแหละเราสามารถเห็นได้รู้ได้สัมผัสได้เราเคยกโกรธไหมความโกรธมันมาจากไหนอแต่ผีนี่ไม่โกรธนะซ่าศพนี่ก็ไม่โกรธนะ เพราะเขาไม่มีจิตไม่มีใจคนมีจิตใจมันต้องโกรธต้องไม่พอใจบางทีเกิดความพอใจบางทีเกิดความสุขนั่นแหละคืออาการของจิตทางนั้นแหละเรารู้ตรงนี้ก่อนพอรู้อาการแล้วเนี่ยเราจะเห็นไอ้สิ่งที่ผลิตอาการนั้นออกมา หลังจากที่เรามีสติมีปัญญาที่สมบูรณ์แล้วจะเห็นจิตแท้ๆจริงที่ไม่โกรธไม่รักที่มันเป็นปกติอยู่อย่างนั้นหละเราต้องมาดูมาดูอาการของจิตตอนนี้รู้สึกแมมว่าเราคิดอะไรไอ้ที่สงสัยว่าเราคิดอะไรนั่นแหละนั่นแหละคืออาการของจิตแหละ สังเกตดูตรงนี้ก่อนการดูจิตดูใจเนี่ยมันสนุกนะสนุกนะมันสนุกกว่าการดูละครทางทีวีด้วยนะละครทีวีเนี่ยมันอยู่ข้างนอกถ้าปิดเนี่ยเราก็ไม่รู้แต่ละครจิตเนี่ยมันอยู่ข้างในละครจิตเนี่ยมันแสดงตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะ ไม่ได้พักถ้าพักเมื่อแสดงว่าตายละครจิตเนี่ยดูสนุกมากมันมีหลายบทบาทออมีทั้งรักมีไหมละครจิตเคยแสดงความรักออกมาไหมโอ้นั่นน่ะของจริง น, น, นะรออักก็อยากได้ทุ่มเทชีวิตหาเงินไปซื้อรักอยากได้ชอบ เวลาโกรธนะโอ้เวลาโกรดนี้ร้ายแรงที่กว่าละครทีวีเลยนะสามารถฆ่าได้ทุกอย่างกระทั่งตัวเองเหมันร้ายแรงนะละครจิตเนี่ยความกลัวก็เกิดมาจากจิตใจแล้วมันกลัวสุดฤทธิ์สุดเดชเลยนะละครทีวีเนี่ยบางทีเป็นหนังผีหนังน่ากลัวยังไม่กลัวเท่าละครจิตเราซึ่งมันสร้างมโนภาพที่น่ากลัวมากกว่าละครทีวีความเกลีย ความอาฆาตมีไหมนในใจเราความอิจฉาริษยาความไม่ตกกังวลความหวาดระแวงน้อยเนื้อต่ำใจอยากฆ่าตัวตายเนี่ยเนี่ยละครจิตเนี่ยมันแสดงมันจริงกว่าละครทีวีเนี่ยมีผู้กำกับผู้กำกับกำหนดให้ คนนี้แสดงเป็นแม่เอกคนนี้แสดงเป็นผู้ร้ายคนนี้เป็นนางเอกคนนี้เป็นตัวตลกผู้องกลับเป็นผู้ที่สั่งการแล้วใครเราที่สั่งผู้องค์กลับอะ่ะก็ไอความคิดของผู้องค์กลับเองก็เรียนรู้มาเองว่าเป็นเรื่องเป็นราวแล้วแต่งเป็นละครขึ้นมามีภาพมีเสียงมีราวให้เราดู นักรจิตะละครทีวีเนี่ยมันจริงต่างกันละครทีวีนี่มีผู้กำกับเป็นผู้ที่สั่งให้แสดงแต่ละครจิตนี่กิเลสสั่งให้แสดงอันไหนมันจริงมากันต้องรู้ใหทันนะผู้กํากับจิตใจเราเนี่ยมันร้ายแรงกว่าผู้กำกับภาพยนตร์ละครทีวีที่ซ้ําไปกิเลสเป็นผู้กํากับ ละครจิตบางทีมันบทสนุกสนานบทตลกเสื่อมมาเป็นความรู้สึกไม่ได้เอาต้องเป็นภาพเป็นอาการออกมาให้เรารู้อ๋ อ, อสนุกสนานต้องเป็นอย่างงี้นะเพราะฉะนั้นคนดูละครทีวีอย่าลืมย้อนดูจิตใจของเราด้วยเพราะสิ่งที่เขาแสดงทีวีนั้นก็มาจากใจเราทางนั้นแหละ ใครเป็นผู้รับรู้ก็คือสติต้องรู้ให้ทันถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยมันมันเอาตายเลยนะไอ้ละครจิตต้องห้ทันไอเนี่ยตัวร้ายกาศมากเราก็ไม่ต้องทำอะไรมีสติคอยดูคอยรู้อยู่เป็นผู้ดูละครจิตอย่าเข้าไปเป็นละครจิตอย่าเข้าไปแสดงอย่าเข้าไปเป็นผู้มกับเป็นผู้ดูเฉย ละครทีวีนะั้นเราดูแล้วเราเข้าไปอินกับละครทีวีร้องไห้หัวเราะสนุกขบขันตามละครข้างนอกแต่ละครใจเราเนี่ยรู้เฉยเฉยพอรู้อ๋อนี่มันมันพอใจนะอ๋อนี่ไม่พอใจนะอ๋อนี่มันทุกข์นะมันสุขนะให้รู้เท่าทัานแค่นั้นพอแล้วพอรู้แล้วก็ปล่อยมันผ่านไป มีสติรู้แล้วก็ปล่อยมันผ่านไปรู้เฉยๆอย่างนี้แหละจิตที่มันเกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเนี่ยแล้วมันก็ดับไปเนี่ยมันเป็นฉากหนึ่งของละครมันเป็นฉากหนึ่งเนี้ฉากหนึ่งของละครจิตที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั้นมันไม่ใช่เรื่องจริงจังความคิดมันเป็นมโนภาพของจิตเป็นมายา มเกิดกึ้นแล้วมันก็หายไปมันไม่ไมีอยู่จริงอะ่ะไอความโกรธที่โกรธเมื่อวานเนี่ยวันนี้ยังมีอยู่ไหมเนี่ยขณะฟังเนี่ยไม่โกรธอะ่ะเนี่ยถ้าคิดถึงดิลองคิดดิว่าเมื่อวานเราโกรธอะไรขึ้นมาเดี๋ยวความโกรธมันก็มาอีกอันนี้คือกรรมเก่าตามมาเล่นงานเรากรรมในปัจจุบันแล้วดูที่ปัจจุบันดูที่ปัจจุบัน ไอความเสียใจที่เกิดขึ้นแนอดีดเนี่ยวันเนี้ยไม่มีหรอกมันมีเพราะเราคิดขึ้นมามันคิดขึ้นมามันก็มีมันก็มีความหมายที่มันคิดขึ้นมาแต่ถ้ามันคิดขึ้นมาแล้วเรารู้ทันแล้วไม่ยึดมั่นถึงมั่นปล่อยมันผ่านไปมันก็ไม่มีค่าอะไรกับใจเรานะวิธีการออกจากกรรมง่ายทีเดียว พอกมกาวมาส่งผลให้รู้ทันแล้วก็อย่าไปยึดมั่นถือมัน่นก็ปล่อยมันผ่านไปมันก็อยู่เหนือกรรมที่เราเคยทำเอาไว้ในอดีตอย่างเงี้ยให้เรามีสติรู้ทันทุกครั้งแต่ที่จิตใจมันคิดถ้ารู้ไม่ทันไม่เป็นไรเราก็รู้ใหม่ก็รู้ใหม่รู้ไม่ทันก็ผ่านไปแล้วก็รู้ใหม่ รู้ไม่ทันก็ปล่อยมันไปก็รู้ใหม่รู้ใหม่แต่ละครั้งเนี่ยเป็นการภาวนาเป็นการสร้างความเพียรก็ เ, เป็นวิปัสนาเลยนะเนี่ยฝึกบ่อยๆในชีวิตประจําวันเนี่ยเวลาเล็กเวลาน้อยดีกับเราหลงทั้งวันเรารู้ตัวบ้างเนี่ยถือว่าเราเป็นส่วนที่เก็บเกี่ยวในกุศลเอาไว้ตอนหลงลืมตัวมันก็เป็นบาปอากุศลอยู่ที่จิตใจเราพารู้ตัวมันก็เป็นกุศล เก็บเอาไว้มีสองกระเป๋ากระเป๋าหนึ่งเป็นเป๋าบาปอกุศลมันก็ย่อมมีอยู่อะแต่เราก็สร้างกระเป๋าที่เป็นบุญกุศลเอาไว้เนี่ยคือรู้ตัวรู้ตัวการทําบุญให้ทานรักษาศีลก็ใส่กระเป๋าบุญเอาไว้การภาวนาก็ใส่กระเป๋าบุญก็ไว้ตอนไหนที่เราคิดไม่ดีเราพูดไม่ดีทําไม่ดีอ้อไปกระเป๋าบาปเนาะเราก็อย่าไปนึกถึงมันนึกถึงกระเป๋าบุญเอาไว้ เดี๋ยวก็ปอบุญมันก็เต็มนะเนี่ยวิธีการที่จะเอาชนะไอ้กรรมเก่าที่เราเคยผ่านมานั้นนะคือสร้างกรรมใหม่คือจะเป็นกุศลกรรมเข้าไว้ให้มากๆต้องรู้ให้ทันนะใจเราเนี่ยมีจฉาทิฏฐิบางคนเนี่ยน่าสงสารนะเป็นคนดีนะเป็นคนดีแต่ไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเลยในใจนึกถึงอะไรเป็นทุกๆที แต่เขาเองเป็นคนที่ทําความดีมีตำแหน่งหน้าที่งานดีมีประโยชน์เป็นงานบุญด้วยซ้ำไปแต่มีแต่ความทุกข์ทำไมไปอย่างนั้นเพราะวาความคิดทาดีแล้วเนี่ยไปคิดวิตกกังวลว่ากลัวตัวเองจะไม่ดี <c oughs> ใครเคยไหเราทําดีแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยแต่ไปคิดกังวลว่ากลัวตัวเองจะไม่ดี ไอ้กลัวตัวเองจะไม่ดีนั่นแหละมันเป็นบาปจะดีหรือไม่ดีที่ปัจจุบันนี้เราทำอะไรเราพูดอะไรเราคิดอะไรอยู่มันดีที่ปัจจุบันเลืกที่ปัจจุบันไปไอ้ส่วนความคิดกังนวลว่ากลัวจะไม่ดีเนี่ยกลัวจะตกนรกกลัวจะไม่ได้บุญไอ้ตรงเนี้ยปล่อยมันผ่านไปอย่าไปสนใจรู้ทันแล้วปล่อยมันผ่านไป มันเป็นโจนปรปล้นบุญกุศลเราอย่าไปสนใจมันปล่อยมันผ่านไปเป็นแค่อาการของจิตที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปานเองน่าสงสารคนที่เป็นคนดีทำความดีแล้วมีความทุกข์มันไม่ใช่แปลว่าเราคิดผิดเข้าใจมันต้องเริ่มที่ปัจจุบัน ถ้าเราทําดีแล้วพูดดีแล้วก็จบอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะต้องมาขอบคุณเราแต่ต้องได้สิ่งตอบแทนอันนั้นละ่ะมันจะไปโจรปล้นกุศลของเราทําดีแล้วก็แล้วไปจะได้ผลแค่ไหนก็ไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกับการกระทำเราทําดีแล้วก็จบแหละไอ้ส่วนเรื่องของผลนั้นเป็นเรื่องอีกอย่างเพราะนั้นต้องต้องมีสตินะ กิเลสเนี่ยมันกลัวอะไรความคิดกลัวอะไรกิเลสและความคิดเนี่ยมันกลัวสติสังเกตดูดิเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาเนี่ยถ้าเราขาดสติเนี่ยเราสามารถพูดไปตามความโกรธทำตามความโกรธได้ถ้าไม่สติรู้ทันเนี่ยความโกรธมันจะค่อยๆจางคลายจางคลา ย, ลายแล้วมันก็หายไปอย่างน้อยสติมันก็หานก็ไปครึ่งหนึ่งอะ มีความรู้ทันอ๋อนี่โกรธแล้วนี่ความโกรธจะไม่รุนแรงถ้าเกิดความโกรธปั๊บเราไปมองคนที่ทำให้เราโกรธความโกรธข้างในมันทวีความยิ่งใหญ่มากขึ้นเวลาโกรธใครคนนั้นไม่ได้ทําให้เราโกรธใจเราโกรธเองหันมาดูใจเราอ๋อนี่โกรธแล้วนี่โกรธนี่นรกนะร้อนนะตอนนี้กําลังจะถูกจดชื่อลงนรกนะ ให้รู้ให้ทันซะแล้วมันก็จะหายเกิดดับไปเลยความโกรธหรือกิเลสหรือความคิ ด, ดต่านตาเนี่ยกลัวสติที่รู้ทันฝึกสติเอาไว้ให้รู้ทันให้รู้ทันเวลากายเคลื่อนไหวสติรู้เวลาจิตใจมันคิดรู้แล้วก็ปล่อยมันผ่านไปถ้าไม่รู้เท่าทันจิตใจตัวเองนี่มันจะเอาชีวิตไม่รอดนะ อยู่ก็ไม่มีความสุขแค่รู้ทันใจตัวเองเท่านั้นเพียงอย่างเดียวเนี่ยเราจะรู้เท่าทันชีวิตรู้เท่าทันสังคมไปในตัวเสร็จเลยเพราะว่าชีวิตหรือสังคมเนี่ยมันเกิดจากไหนเกิดจากใจคนเั่านั้นแหละใจคนเป็นผู้ที่สร้างถ้าไม่มีใจเนี่ยเท่ากับไม่มีชีวิตนะเห็นเคยดียินไห ม, ไหไหมชีวิตจิตใจ ชีวิตจิตใจมันเป็นความหมายเดียวกันชีวิตถ้าไม่มีจิตมันก็คือคนตายสังคมถ้าไม่มีชีวิตไม่มีจิตเข้าไปร่วมเกี่ยวข้องเนี่ยสังคมก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีการพัฒนาเพราะนั้นรู้อย่างเดียวนั้นจะรู้หมดเลยรู้ทั้งชีวิตรู้ทั้งสังคมด้วย แล้วก็จะรู้ทันสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราด้วยซ้ำไปเรื่องของชีวิตนี่เพราะว่ายายที่รมเนี่ยอายุมากกว่าผมต้องร้ายคนนบางคนก็ เ, เกือบเท่าคุณพ่ อ, ค, พอคุณแม่ด้ซ้ำไปมาฟังทำเนี่ยผ่านชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวมามากเราจะรู้แล้วว่าชีวิตเราเป็นยังไง เราหนีไม่พ้นเรื่องความแก่ความเป็นธรรมดาของชีวิตอะความแก่เนี่เป็นธรรมดาไหมความเจ็บไข้ได้ป่วยธรรมดาไหมแล้วความตายธรรมดาไหมความพัดพลาดธรรมดาไหมความผิดหวังเรื่องธรรมดาไหมปัญหาต่างๆเรื่องธรรมดาไหมโอนี่เป็นธรรมดาต่างนั้นแต่เราก็ทุกข์กันมาทุกทีธรรมดาก็คืออะไร ท, ทุกทุกที เราไปเจอเพื่อนหน่อยโอ้เพื่อนมาหน่อยถึงแก่จังแล้วเราเราไม่แก่มันก็นพอๆกันแหละทาไมเขาจึงแก่จังเราก็เหมือนกันแหละในเมื่อเขาแก่ได้และเราทำไมจึงจะแก่ไม่ได้บ้งนะมองตรงนี้มึงสิความป่วยไข้ก็ธรรมดาบางคนถามว่าเป็นอะไรลนะ่ะก็เป็นโรคธรรมดา โรคธรรมดาโรคป่วยไข้โรคธรรมดาไม่มีใครไม่ป่วยไข้หรอกเป็นโรคธรรมดาเนี่ยอมองเนเรื่องธรรมดาซะธรรมดาเนี่ยเท่ากับธรรมชาตินะเข้าถึงธรรมนะทำไมเราต้องป่วยด้วยทำไมคนนน้นไม่ป่วยแล้วทำไมเราจรึงจะไม่ป่วยด้วยเราก็ต้องป่วยได้ถ้าเขาใจาตรงนี้เนี่ยความทุกข์มันจะน้อยลงเห็นคนโน้นคนนี้ตายโอ้ธรรมดา มาก่อนเขาเป็นอย่างเราต่อไปเราก็จะเป็นอย่างเขามาก่อนเนี่ยเขาเดินได้อย่างเรานะไม่ตายแล้วต่อไปเราก็ต้องเดินไม่ได้ตายเหมือนเขาเป็นเรื่องธรรมดาต่งนั้นไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ความแก่ความเจ็บความตายความพลัดลกหลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องเจอทุกคนแต่เขาบอกว่ามีอย่างดนึง ที่เราหรือเลี่ยงไม่ได้มันก็คือเลี่ยงภาษีเลี่ยงภาษีนี่ก็เลี่ยงไม่ได้นะเอาสิข้ อ, ของเลี่ยงภาษีเลี่ยงไม่ไมันเป็นธรรมดาอย่าไปท้อแท้อย่าไปน้อยใจสิเราเนี่ยมันสอนทำไหมกับเราคนที่เราลักคนที่เราเกลียดมันก็ตายจากเราไปแล้วทางนั้นให้เราเข้าใจเลยทําไมจึงต้องเป็นเราทําไมต้องเป็นเราไอ้คนนี้อย่าไปถามเลย เปลี่ยนคำถามซะใหมว่าทำไมเราจึงเป็นอย่างเขาไม่ได้ทำไมจึงเป็นเราไปบ้างไม่ได้ย้อนมุงกลับตรงนี้เราจะไม่ได้กำลังใจจะมีกำลังใจมากนั้นทำไมต้องเป็นเรานี่ไม่ใช่คำถามมันเป็นความคิดที่ที่ยังไม่รู้จักโลกต้องเข้าใจส่วนนี้นะต้องรู้ทันเรื่องของชีวิตด้วย นักปฏิบัติบางคนนะนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมทำสมาธิทําความสงบไหนอยากได้ทำท่านใดที่เคยทําความสงบทําสมาธิบ้างมีไหมโอ้เอาโชว์มาดิอุศนนะ่ะยกมือตรงสูงๆเลยตรงสูงถึงนั่นแหละถึงสวรรค์แหลมโอ้โนี่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคือ เหนือจากการให้ทานรักษาศีลไอนน้ีถึงขั้นภาวนาภาวนาใหม่บุญที่เกิดจากการภาวนานเป็นบุญสูงสุดอันนี้สอี่สูงมากสุคติเป็นที่หวังได้นะปิดประตูบายภูมิเลยภาวนาเนี่ยทำสมาธิหรือทาวิปัสสนาก็เลือกเอาอันนี้เป็นส่วนของภาวนาใมท่งนั้นแหละ เวลาทำสมาธินี่มันสงบไหมมันฟุ้งซ่านไหมถ้ามันไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยเราจะรู้ว่าจิตมันสงบได้อย่างไรโอ้กว่ามฟุ้งซ่านมีประโยชน์นะรู้ว่าอ๋อถ้ามันไม่ฟุ้งซ่านแล้วมันสงบเวลาทำสมาธินี่มีเคยมีงอก ง, ง่วงไหมนั่งคอตกคอหักเหมือนประทูแม่กลองอย่าไปคอหัก บุญมันต้องเชิดมันจะขึ้นสุกติถ้าคอตกแล้วก็มันมองลงแต่ข้างล่างอะนะฮะเชิดไว้สู่สุกติต้องขึ้นข้างบนเชิดไว้มันจะสบไม่สมบก็ยืดก็ไม่รู้ละข้างนอกก็ดูดีแล้วก่อนข้างในนี่ค่อยว่ากันได้ละบริกรรมเข้าไปเถอะบริกรรมบริกรรมพุโทโธก็พุโทโธให้จริงๆ ให้จิตเข้าถึงพุโทโธให้ได้อย่าไปตอแทะเมื่อจิตไม่สงบก็ไม่เป็นไรหรอกมันธรรมดาไหมจิตไม่สงบอะจิตฟุ้งซ่านเป็นเรื่องธรรมดาไหมเราไม่ได้ภาวนาไม่ได้ ส, สมาธิจิตก็ฟุ้งซ่านเวลาทำสมาธิจิตก็ฟุ้งซ่านก็ไม่แปลกเป็นเรื่องธรรมดาถ้าอยอมรับตรงนี้ได้เนี่ยความฟุ้งซ่านมันจะหายหลง แต่พฟุ้งส่านปั๊ไม่เอาไม่ชอบเราไปต่อต้านไม่ยอมรับมันเนี่ยและเมื่อไหร่มันจะหายอ่ะโอ้ยฟุง้งซ่านกลเป็นเรื่องธรรมดานี่คือผู้ที่ปล่อยวางไม่กระทั่งความฟุ้งซ่านได้โอ้เป็นธรรมดายอมรับความจริงสติไม่เกิดแปลกไหมสติไม่เกิดสติมันก็เกิดแล้วมันก็ดับแล้วมันกเกิดแล้วมันก็ดับเ็ธรรมดาได้หน้าลืมหลังเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหม เนี่ยมันเรื่องที่ไม่แปลกเลยสัญญาณิจางเคยสวดมนมต์ทำวัดไหมสัญญาณิจาสัญญามก็มีเที่ยงสัญญาแปลว่าความจําได้หมายรู้อาจจะจําไม่ได้ก็ได้ให้รู้ทันเดอะนั่นแหละเรามีสติโอ้รู้แล้วว่าเราลืมเนี่ยมีสติจําได้แล้วว่าเราลืมจิตฟุ้งซ่านเโอ้จิตมันฟุ้งซ่านเนี่ยเรารู้แล้วรู้แล้ว เราแท้ที่ว่าเรามีสติแล้วว่าความฟุ้งซ่านมันเกิดขึ้นแล้วที่ใจเราปฏิบัติแล้วจะต้องส ง, งบไหมจะส ง, งบเสมอไปไหมไม่ส ง, งบก็ไม่เป็นไรนะถ้ารู้ว่าจิตไม่ส ง, งบเดียเท่ากับส ง, งบแล้วนะใจที่รู้นั่นแหละคือใจที่ส ง, งบถ้าใจที่ไม่รู้เนี่ยแหละคือใจที่หลงว่ามันเกิด อ, อะไรขึ้นกับตัวเราบางคนไม่ชอบ ปฏิบัติเจ้าแต่ความสงบไม่อยากให้มันคิดไม่อยากให้มันง่วงอย่างเงี้ยไม่มีทางเกิดปัญญาเลยไม่มีทางที่รู้ความจริงของชีวิตเลยคำว่าอนัตตาอนัตตาเคยได้ยินั้มเป็นภาษาบาลีนะภาษาพระนะอนัตตาอนัตตาแปลว่าบังคับบัญชาไม่ได้ใครบังคับใจแม่คิดได้บ้าง ใครจะบังคับใจสงบได้บ้างไม่ได้หรอกใจมันเป็นอนัตตาสัพเพธรรมาอนัตตาติเราเคยทำวัดนะทำวัดชาาอะ่ะสัพเพธรรมานัตตาติสิ่งหลางทั้งปวงเนี่ยเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้มันจะสงบอ้อเราบังคับไม่ได้มันสงบเองมันไม่สงบโอ้เราบังคับไม่ได้ ส, ไ ส, บบไไดสบายเลย อันนี้ถ้าว่าเป็นการปล่อยวางปล่อยวางความยึดมั่นถึงมั่นเพื่อให้มันถูกใจเสมอคนที่เวลาทำภาวนาแล้วให้มันให้มันมีสติไม่ให้มันคิดนั่นแหละเราจะไม่รู้จักคำว่าอนัตตาเลยมันจะคิดมากคิดน้อยง่วงนอนก็เรปล่อยมันให้รู้ทันมันก็เรีรู้ทันความว่าเป็นอนัตตาแต่อนัตตาบ่อยๆเนี่ยมันเข้าถึงธรรมได้นะ ไหนใครไม่อยากเข้าถึงธรรมบ้างเข้าถึงธรรมต้องเข้าถึงความจริงความจริงที่มันืก้กับจิตใจของเราก็คือกับกายของเรามันแสดงทุกอย่างกายจิตแสดงแลออกมาเนี่ยเป็นความจริงอย่งนั้นยอมรับแล้วก็แก้ไขปรับปรุงไปตามหน้าที่มันป่วยมันไข้โอ้ธรรมดายอมรับซะเพราะกายมันก็เป็นอนัตตาแล้วก็ดูแลรักษากันไป ใจมันคิดมากฟุ้งซ่านมากกิเลสมากทุกข์มากโอ้ใจเป็นอนัตตาเราไม่อยากให้เป็นอย่างนี้แต่มันเป็นเพราะมันอยากจะเป็นก็เรื่องของใจมันไม่ใช่เรื่องของเรา <c oughs> โอ้เป็นเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของเราไงนะอย่างนี้บางทิมันต้องเด็ดขาดมันต้องจะมีดวงตาเห็นธรรมได้ถ้าไม่เด็ดขาดเนี่มันไม่มีดวงตาเห็นธรรมหรอกมันมีดวงตาหลงทางนะเห็นไหมดวงตาหลงทาง เห็นความจริงแล้วก็ธรรมดาย่างนั้นเองแล้วก็แก้ไขปรับปรุงให้เราอยู่กับสภาพนั้นได้ในชีวิตเราเนี่ยมันมีหลายอย่างที่ต้องเจอเจอไหนชีวิตใครไม่เจออุปสรรคไม่เจอปัญหาบ้างอุปสรรคกับปัญหาเนี่ยมันเป็นเพื่อนของเรามันเป็นธรรมดาของคนทุกคนแต่ต้องเจอ เราจะเจอแต่ความสําเร็จอย่างเดียวเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกใช่ไหมมันต้องมีความสําเร็จบ้างอุปสรรคบ้างปัญหามาเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตแต่เจออุปสรรคของชีวิตทําอย่างไงนะอุปสรรคคือสิ่งที่ขัดขวางความสําเร็จอุปสรรคคือสิ่งที่ขัดขวางความสําเร็จถ้าภาวนาเรือว่ามานมานไปผู้ขวางกั้นความสําเร็จเห็นไม้มแต่จริงมันไม่ขวางเรานะ มันช่วยทําให้เรามีพลังมีความเข้มแข็งมีประสบการณ์รู้ความจริงของชีวิตด้วยมานไม่มีบา ร, รมีไม่เกิดนะเคยยินคันเนี้ยอุปสรรคนี่เป็นเครื่องขัดขวางแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรต้องยอมแพ้และยอมจำนนเราจต้องฝ่าฟันอุปสรรคนี่มันต้องพุ่งชนเนี่ยเคยยินไหมเดียก็บอกว่าอะไรเป้าหมายเป็นสิ่งที่ต้องพุ่งชน โอยเป้าหมายอย่าพุ่งชนเลยชนอุปสรรคก่อนเดี๋ยวเป้าหมายนี่ไม่ต้องไปชนหรอกชนอุปสรรคให้ได้ฝ่ฟาฟันให้ได้เนี่ยเป้าหมายก็เดินเข้าไปอย่างสง่างามรับรางวัลอุปสรรคต้องพุ่งชนก่อนถ้าแพ้อุปสรรคเนี่ยเป้าหมายไม่เกิดนะไม่เจอเป้าหมายฝ่ฟาฟันโดยกันชนเลยไม่เป็นไรง่วงอ่ะง่วงจะภาวนาะมันนอนไม่หลับไม่เป็นไร จะทําสมาธิตั้งคืนยันสว่างเลยเดี๋ยว <laughs> มันก็หลับเองเดี๋ยวมันก็หลับเองถ้าไม่หลับโอ้เราแย่แล้ว yeah, ลวันนี้ไม่หลับพรุ่งนี้จะต้องทํางานไม่ได้อ่อนกําลังมีโรคแบบก็บ่ยบคิดมากมายปุงซ่านมันก็ตกจมอยู่อุปสรรคเงมันง่วงไม่เปไ็นไรเดี๋ยวเราจะภาวนาเดินจงกรมไม่ยันสว่างดูซิว่าความง่วงจะอยู่ไหมพอเราตั้งท่าใจของจริงเดี๋ยวมันก็ต้องหลับอยู่อ่ะ ความง่วมันอยู่ไม่ได้หล้วมันมันกลัวมันกลัวที่จะถูกชนนอนไม่หลับก็ไม่น่งกลัวนะเนี่ยเรื่องนอนไม่หลับเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะใครนอนหลับเนี่เป็นเรื่องแปลกมากสมัยนี้สมัยก็นอนไม่หลับก็่าต่างกันแหละมองอย่างนี้มัางสิบอกโอ้ทาไมเราต้องหลับด้วยเราไม่หลับก็ไม่เป็นไรเนี่ยดีแล้วล่ะนะเราจะปฏิบัติธรรมยันสว่างเลยเดี๋ยวมันก็หลับเอง มันกลัวกลัวยานโซว่เพราะเราไม่หลับปั๊บคิดเยอะเลยทำไมมันไม่หลับอยากให้มันหลับมันไม่หลับหรอกอโอไม่หลับก็ไม่เป็นไรดีแล้วหลับอย่าหลับนะเราจะได้ภาวนาตื่นเช้ามาอาจจะมีดวงตาเห็นธรรมก็ได้พอเอาข้จริงนี่กิเลสมันมันถอยแหละ <laughs> เนี่ยอุปสรรคมันต้องพุ่งชน ส่วนเป้าหมายนั้นเดินเข้าไปอย่างสร้างางามรับรางวัลรับผลสำเร็จเอาตรงนี้มั้นดอ๋อมทธนาโมทธน า, ท, นาทำยังไงไอสติมันไวกว่ามือก็ฝึกบ่อยๆสิไอความไวที่เราเคยทำเนี่ยปากว่ามือถึงปั๊บเนี่ยมันเกิดจากความเคยชินเราเคยชินอยู่กับการทำแบบ ทำด้วยตามใจเราใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนความเคยชินแบบใหม่มีสติก่อนแล้วเคลื่อนไหวมือดิปึกสติไว้ก่อนให้สติมันมาก่อนถ้าไม่ผ่านสติเราอย่าเพิ่งทำอะไรเวลาโกรธ ต, ต้องให้รู้ก่อนเวลาโกรธอย่าเพิ่งไปทำตามความโกรให้รู้ก่อนเวลาจะยกมือขึ้นให้รู้ก่อนว่าเราทำอะไรปึกสติมากๆให้สติมันมาก เดี๋ยวความเคยชินที่มีอยู่ก่อนเนี่ยมันก็จะหายไปนะนะอย่าลืมนะการรู้ทันชีวิตก็คือรู้ทันตัวเองว่าตัวเองนี่เป็นอย่างไรกายจิตเป็นอย่างไรความเป็นธรรมดาของกายของจิตเป็นอย่างไรเนี่ยต้องรู้ให้ทันเนี่ยรู้ทันชีวิตแล้วเรื่องของสังคมเนี่ยเราถือว่ามันสิ่งเดียวกันกับชีวิตนั่นแหละ ถ้าสังคมมีชีวิตก็มีเนี่ยอย่างที่นั่งกันอยู่เป็นแถวเนี่ยเรียกว่าเป็นสังคมสังคมในวัดในโรงเนี่ยใครเป็นคนพามาจิตใจเป็นคนที่พามานะไม่ใช่แท็กซี่นะถ้าใจไม่พามาก่อนจนะขึ้นแท็กซี่ไม่ถูกนะใจมู่พามาเนี่ยพาชีวิตคือพาล่างกายและจิตใจเนี่ยมาสู่สังคมนี้ สังคมเนี่ยจำเป็นมากเราคือหน่วยหนึ่งในสังคมเดี๋ยวนี้สังคมขาดอะไรรู้ไหมขาดน้ำใจเห็นแค่ตัวสังคมกาลังแรงน้ำใจกำลังขาดน้ำใจกาลังมีความเห็นแค่ตัวเยอะคนเนี้ยเรียกว่าอะไรอัตราใหญ่อัตราสูงก็พาตรงนี้แหละขาดน้ำใจวิธีการจะสร้างน้ำใจคือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สังคมไทยต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็รู้จักเสียสละถ้าเสียสละเมื่อไหร่แล้วก็ความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันจะลดน้อยลงนะสองอย่างเนี่ยการให้ที่ไม่เสียสิ่งของคือให้อะไรให้อภัยไม่เสียสิ่งของเลยได้บุญด้วย การขอที่ไม่น่าเกลียดคือขออะไรอะขออภัยได <c oughs> ้ไหมวันนั้นไม่ต้องเสียอะไรเลยนะแต่เป็นการได้บุญทั้งนั้นเลยสังคมขาดน้ําใจแล้วก็แล้วคนเราจะเลนแรงน้ําใจถ้าหาว่าเรามีน้ําใจเนี่ยตัวตนเราจะลดน้อยลงไปคนเสียสละตัวตนมันจะน้อยลงไปธรรมะขั้นสูงสุดนี่คือละตัวตน ถ้าเห็นแค่ตัวเนี่ยก็เพิ่มตัวตนการขาดน้ำใจมันก็เพิ่มตัวตนอยู่เดียเดี๋ยวนี้สังคมไทยกลายเป็นสังคมแบบใจแคบบัวแรงน้ำเคยไม่รู้จักบัวแรงน้ำไหมไม่ใช่ในหนังนะบัวแรงน้ำเนี่ยยายทาเคยเห็นสะบัวไหมะสะบัวเนี่ย มันมอยู่สองสระสนึงน้ามันลดน้อยลงไปมันจะแห้งอยู่แล้วดอกบัวฝักบัวมันไม่ตายมันยังชูช่ออยู่ได้แต่ช่อมันเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยงามพร้อมที่จะตายได้เสมอเสมอไม่มีวันที่จะบานแล้วรับแสงอาทิตย์ได้ใช่ไหมอันนั้นคือบัวแรงน้ำส่วนบัวปิ่มน้ำนี่น้ำเต็มสระบัว ชูช่อขึ้นมาพร้อมที่จะบานเมื่อเจอแสงอาทิตย์สังคมคนที่ชอบเสียสละกับสังคมเนี่ยชอบช่วยเหลือสังคมมีน้ำใจไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยมันจะเบ้นบัวที่ปิ่มน้ําจะมีความสุขคนที่อยู่ในสังคมแล้วเห็นแก่ตัวไม่ยอมเอื้อเฟื้อใครไม่ยอมเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่กับใครเลยมองแต่ตัวเองเสมออันนี้เป็น บัวแรงน้ำคือจะไม่ค่อยมีความสุขไปไหนจะไม่ค่อยมีไข่ต้อนล้ำนักปฏิบัติธรรมมืญาติธรรมมาถามผมว่าทำไมเขาจึงปฏิบัติธรรมแล้วทำไมจิตเขาไม่พัฒนาเขาก็ขยันนะไปอยู่วัดก็แล้วไปอยู่สานักปฏิบัติก็แล้วไปเข้าคอร์สเข้ากลุ่มกันแล้วปฏิบัติอยู่ที่บ้านกันแล้วทำไมเขาไม่พัฒนาจิตเพราะเราเป็นคนที่ใจแคบ เพราะเราไม่ได้ช่วยเหลือคนอื่นจิตใจไม่ค่อยมีกุศลหล่อเลี้ยงบรารมีทางจิตเป็นบรารมีธรรมเนี่ยไม่ค่อยเกิดขึ้นถ้าเราปฏิบัติธรรมไปด้วยจะให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีภาวนาก็ดีช่วยเหลือสังคมเราให้เนี่ยเพื่อส่วนตัวเราเรารักษาศีลเพื่อป้องกันตัวเราการภาวนาก็มาดูตัวเราแต่เราสังคมยังขาดสิ่งเหล่านี้ เราช่วยเหลือส่วนรวมตีมันจะมีกุศลที่หล่อเลี้ยงจิตใจถ้จาเราเป็นบา ร, รมีธรรมก็ได้เห็นไมบู้าสร้างบา ร, รมีสิบทรรัศเพื่อคนอื่นทางนั้นเลย <c oughs> ไม่ได้เพื่อตัวเองเลยแต่ว่าผลมันย้อนกลับมาสู่ที่ตัวเองถ้าเราไม่มีกุศลรองรับให้ใจสงบเนี่ยไม่มีก๋าที่มีดวงตาเห็นธรรมได้เลยทำสมาธิไม่สงบเพราะว่าเราไม่เคยเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ใคร ไม่เคยแบ่งปันให้ใครจิตก็ไม่ค่อยสงบหรอกคนที่จิตสงบนั้นคือคนชอบช่วยเหลือคนอื่นนะช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือส่วนรวมใจมันจะสงบได้ง่ายเพราะมีอะไรมีกุศลรองรับในจิตใจต้องมีกุศล น, นะถ้ามีบุญกุศลรองรับเนี่ยมีโอกาสที่จะเห็นธรรมะได้ในวันต่อๆไปเพราะนั้น สังคมกาลังเป็นบัวแรงน้ำขาดน้ำใจนะขาดการเสียสละใจแคบต้องจักแบ่งปันช่วยเหลือแล้วใจจะเป็นกุศลและสมาทธิเห็นธรรมะได้ง่ายเห็นความสุขได้ง่ายเราให้เขาเนี่ยรู้สึกเป็นไงรู้สึกดีไหมเราขอเขาดีไหมรู้สึกไม่ค่อยดี่ะ การให้เนี่ยเป็นการปรุงแต่งใจให้ดีแล้วต้องไม่หวังผลนะเขาจะไม่รับก็ไม่เป็นไรเพราะเราตั้งใจที่จะให้แล้วเขารับก็ดีจะได้เป็นไปอยู่กับเขาและกับเราด้วยแต่เราให้เขาแล้วทำไมเขาไม่ให้เราบ้างละ่ะเขาไม่เคยให้เราเลยเราให้เขาทำไมเราก็เลยเป็นคนตนหนีเหมือนเขานั่นแหละ เขาแม่ให้เราไม่เป็นไรหรอกแต่เราจะให้ใครให้ใครได้ยิ่งให้ยิ่งได้ใช่ไหมได้อะไรได้ให้ไงได้ให้ไงมันได้ไมมได้ให้อะเราต้องทำให้ทำอะไรนี่ทำให้แต่ถ้าเราทำเอาเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมะทำเอาทำเอาทำแล้วเอาทำแล้วเอา แต่ทําให้ทําให้เคยคิดไม่ทําให้เนี่ยทําให้แล้วมีความสุขถ้าทําเอาสึกมันหนักยิ่งเอาก็ามายิ่งหนักเราเกิดมาอายุน้อยจนอายุมากเดี๋ยเพื่ออะไรเพื่อจะปล่อยเพื่อจะปล่อยเพื่อจะปลอ่ อ, ลอ ย, อ ย, อยไม่ใช่เพื่อจะเอาเพื่อจะเอาเพื่อจะเอาตัวท <cocon uts, S 1> <ๆ>้ายแล้วเต็มโลงเอาไปไม่ได้ขนไปไม่หมดก็ต้องปล่อยให้โลงมันว่างเวลาสับกรเหลอร์เขายกโล่งให้ได้โอ้สบายใจโล่งนี่เบาเหลือเกินให้จนหมดเลย ทำให้ทำให้ให้ทุกอย่างที่เราสามารถจะให้ให้ไปเถอะและเราจะมีความสุขการให้นั่นแหละท้าเราสึกเบาเราท่องเทีย่ยวนะประตักงสารเราจะไม่ต้องหนักไม่ต้องแบกของหนักไปไอ้นังก่อของเราไอ้นี่ของเราเอันนี้ก็ของกูจูฮูกลูเหมือนนกนกเขาไงนะของกลูของกลู ไม่เหมือนก้าววาวาก็ว่าเอาไปเอาไปเขาอาเอาไปต้องทำให้สังคมถึงจะอยู่มีความสุขแล้วสังคมนี้ต้องการนะคนเก่งและก็เป็นคนดีคนดีคนที่มีคุณธรรมเก่งแล้วดีเนี่ยถือว่ามีประโยชน์กับสังคมไปไหนใครก็ต้อนรับ เก่งแล้วโกงเนี่ยโอ้ไปไหนคนก็ลําเกีดยดทนะี่เรียกญาติลาอาญาติลาอาไหมไปไหนก็โอมาอีกแล้วมาไถ่เงินนี่แล้วเก่งแต่โกงไม่ต้องเก่งแล้วก็ดีสมัยเนี่ยคนเก่งแล้วดีไม่ค่อยมีมีแต่คนไม่เก่งแล้วชอบอวดดีมีเยอะนะไม่มีดีอวดแต่ขออวดดีหน่อยจะเล่านิทาในให้ฟังสักเรื่อง อันนี้มีประโยชน์นะเรามาพูดที่วัดในโรงเนี่ยมาฟังธรรมะที่เนี่ยเราต้องเรื่องเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับโยมมีนายดอนอวดดี <c oughs> นายดอนอวดดีดิมีอ้ที่อวดดีไปไหนใครก็เบื่อแต่ชอบอวดดีชอบไปลองภูมิคนนูน้นจับตาดูคนนูน้นคนนี้วันหนึ่งมีพระตุดงมาปรากฏพระดุโมาปรากฏ ในหมู่บ้านชาวบ้านแบอบกโอ้มีพระตุดงมาพากไปกราบไหว้ส่วนหนึ่งก็พาไปขออีกส่วนหนึ่งก็ไปให้แต่ไปขอมากกว่าให้เราไปที่รู้กันต้องรู้เตาทันสังคมนะพอพระตุดงมาเนี่ยสังคมจะรู้ว่าไปเอาแล้วไอ้ที่ไปให้ไม่ค่อยมีพระตุดงก็มีที่ บางคนก็ให้ธรรมะบางคนก็ให้เลขประจําธรรมะก็ให้นะพระคุณเจ้าก็บินบาตเสร็จปั๊บก็จะฉันในดอนอดดีไปถึงปับ๊บไม่ได้กราบไม่ได้วาดมันของอื่นแล้วใครไปก็กราบกราบกราบในดอนอดีไปถึงยืนปับ๊บดั้งลงปลืบเลยแล้วก็อ่ะโยม โยมทำไมถึงไม่กราบอาตมาล่ะนายดอนอุดิก็เลยบอกเอ๊ะท่านปฏิบัติธรรมเป็นพระยังติดสมมุติอยู่อีกเหรอการกราบมันเป็นสมมุตินะอ๋พะอพอตวหออท่านเปนผู้ที่ฉลาดสอนคนนะท่านไปพยาสอนคนที่อวดดีอ่อ๋องั้นโยมนั่งลงพอดีอาตมาจะฉันข้าว โยมมาฉันข้าวกอตมาดีกว่าโอ้นั่งตีเสมอเลยก็การฉันเอสเออยอมโยมกระโถนนี่มันว่างอะโยมโยมกระโถนนี้ของใหม่นะโยมไปล้างแล้วเดี๋ยวอัออตมาจะใส่ข้าวให้โยมทานในดอ์บอกเอ้ยกระโถนไม่ใส่ข้าวได้ ย, ยังไงอ็อ่าไหนว่าไม่ติดสมมุติไง ไหนว่าไม่ติดสมมติเนี่ยกระโถนมันเป็นสมมุติเขาทำมาเป็นของใหม่ใหม่เนี่ยใส่ข้าวดื่ม น, น้ำกินก็ได้ยังไม่ได้ใช้เลยให้ไปล้างด้วยซ้ำไปล้างเองด้วยซ้ำไปมันเป็นกระโถนอ่ะมันใส่ข้าวไม่ได้เนี่ยมันติดสมมุติไหนว่าโยมไม่ติดสมมุติเนี่ยเจอพระดวงสอนธรรมะเขาเนี่นั่งลงโยม สอนธรรมะเลยบอกว่าเนี่ยการจะรู้จักตัวเองเนี่ยนะจะรู้จักตัวเองเนี่ยต้องกลับมาดูตัวเองอย่าไปจับตาดูคนอื่นอย่าไปจับผิดคนอื่นอาตมาบวชมาเนี่ยว่าพระสอนนะอาตมาบวชมาเนี่ยธรรมวินัยที่ผู้เจ้าให้มาเนี่ยอาตมาเพื่อจะจับผิดตัวเองมาดูตัวเองด้วยสติมาเฝ้าดูตัวเอง มันจะได้รู้จักตัวเองไงะฉะนั้นถ้าโยมัยแต่ดูคนอื่นเนี่ยโยมจะไม่จักตัวเองเลยการดูคนอื่นเป็นการเพิ่มพูนกิเลสแล้วก็แพรกิเลสการดูตัวเองเนี่ยเป็นการเอาชนะกิเลสแล้วก็ละกิเลส ด, ด้วยถูกไหมเพราะกิเลสไม่ได้อยู่ที่คนอื่นกิเลสอยู่ที่ตัวเราเองที่ใจเราเอง สอนทำมาให้ในายดอนอวดดีนายดอนก็เลิอกอวดเลยนะเอาอวดออกปั๊บเป็นนายดอนคนดีไปเลยนะเอาอวดออกคําเดียวเป็นดีนะคําว่าอวดดีเนี่ยเอาอวดออกก็เป็นดีนายดอนเป็นคนดีไปเลยโอ้เข้าใจทำมาเพราะนั้นถ้าทุกคนเนี่ยอยากจะรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันชีวิต แล้วก็รู้ท่าทสังคมเนี่ยมันต้องเข้าโรงเรียนเข้าโรงเรียนโรงเรียนไหนก็ได้โรงเรียนชีวิตจะโรงเรียนชีวิตไหมเข้าโรงเรียนกายกับจิตเป็นบทเรียนสติเป็นผู้ที่เรียนเราจะมีกายจิตเป็นบทเรียนเนี่ยมากมาย มีทั้งความชอบใจไม่ชอบใจใช่ไหมโรงเรียนชีวิตอะมีความชอบใจไม่ชอบใจมันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกมีแต่เรารู้ให้รู้ทันรู้ทันไว้ถ้ารู้ทันโรงเรียนชีวิตคือรู้ทันเรื่องของกายเรื่องของจิตเนี่ยเราจะรู้ความจริงของชีวิตและก็รู้ความจริงของสิ่งตั้งหลายทั้งปวงด้วยถ้าไม่รู้ความจริงเนี่ยเราก็จะใช้ผิดแบบฝืนกับความจริง เขาเรียกหลงโรงเรียนชีวิตนะโรงเรียนอยู่ที่ตัวเรานั่นแหละเราก็ดูไปดูด้วยสติถ้าเรารู้เท่าทันสิ่งไหนสิ่งนั้นมันก็ขบกัดเราไม่ได้ในบ้านเราเนี่ยมันมีงูหลุดเข้ามาเนี่ยถ้ารู้ว่างูตรงนี้ปับ๊บงูกัดเราไม่ได้หรอก ถ้ไม่รู้ถ้าเราไม่รู้ว่าเรามีงูเราก็ไปเหยียบงู อ, อย่างผมตัวอย่างรู้เท่าทันผีผีหลอกไม่ได้เรารู้เท่าทันสิ่งไหนสิ่นั้นก็หลอกเราไม่ได้ขบกัดเราไม่ได้ทุกวันเนี่ยเราโดนชีวิตโดนจิตใจเนี่ยมันขบกัดเราให้เป็นทุกข์ใช่ไหมคนอื่นไม่ได้ทําอะไรเราเลยแต่เราต่างหากนะ ที่กัดตัวเราเองกัดใจเราเองให้เป็นทุกข์ทุกข์เกิดขึเพราะเราคิดผิดรู้ไม่ทันจิตใจรู้ไม่ทันชีวิตรู้ไม่ทันสังคมเกิดความยึดมั่นถือมั่นมันก็เลยเป็นทุกข์เนี่ยวันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นบุญนะเป็นบุญมากได้พูดธรรมให้คนหลายระดับฟังตั้งแต่สัตว์ได้เลยชาน กตั้งปุตุชนแล้วก็กระยาณปุตุชนและผู้ที่ใกล้จะมีดวงตาเห็นธรรมแล้วดูนี่ใกล้จะมีดวงตาเห็นธรรมแล้วปรีลีแล้วกรวนจวันละ <c oughs> ที่วัดในโรงมันก็เป็นบุญที่ผมได้ทําประโยชน์ในส่วนนี้อ <c oughs> ได้ทําประโยชน์นะ <c oughs> วัดในโรงนี่เป็นวัดที่มีรายการสถานีวิทยุเนีแล้วก็แพร่หลายไปมากเลยวัดเกือบทั่วประเทศไทย ที่โคลาชก็ยังรับได้นะไหนใครไม่ได้เป็นแฟนรายการวัดในโรงยกมือโอ้แสดงว่ามีสติเนี่ยขนาดหลอกแล้ยังไม่ทำแล้ ว, วทุกคนเนี่ยเป็นแฟนรายการวัดในโรงทางนั้นน่ะผมเองเนี่ยอยู่ชมรมเพื่อคุณธรรมอยู่ที่ซอยอรุณอมริ น, นจัดรายการเมยุ ก, กับคุณเอศิรีนาศเนี่ย ผมเี่นู้เล่นรายการคุณเอ๋เป็นคนที่ดำเนินรายการไม่ค่อยมีใครรู้จักผมเลยแต่พอรายการพิจุของวัดในโลงเกิดขึ้นเนี่ยมีแผ่นของผมมาเปิดคนรู้จักผมมากกว่าที่ผมจัดเองโดยตําไปไปเจอพแถว่าเอา้าเมื่อเช้าอาจารย์คำพนออกรายการเหรอรายการอะไรพิจุว่าในโรงลเราไม่ได้ฟัง เราทําหน้าเจนๆเขินๆมนาะโอ๋หลายคนบอกว่าฟังเป็นประจําเมื่อถึงเวลากี่โมงนะอ่าเนี่ยพยายามบอกผมก็พยายามได้ยินบอกมีรายการรายการแล้วก็มีหลากหลายนะหลายครูบาอาจารย์มีหลายรูปแบบนะบางคนไปถึงชมลมนะเนี่ยไปเอาซีดีเอาอะไรมาฟังอ๋อเมื่อเช้าอาจารย์ก็ออกอรายการเล้เ อ, อ ก็ได้แก่รับรู้แล้ววันนี้ได้มาทมําบุญที่นี่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะได้มาแบ่งปันอะไรบางอย่างก็อันไหนที่มีประโยชน์ก็จําเอาไปอันไหนไม่มีประโยชน์ก็ถาวายวัดในโลงก็ดีแนละ้วเอาละสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านขออวยพรทุกท่านเนี่ยจงมีความเจริญในธรรมมีความผาสุก มีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันชีวิตรู้เท่าทันสังคมแล้วก็ปราศจากความทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด